8ค่ำสิบ้าคค่ำเป็นอันว่าเดือนหนึ่งไปชมกันรวมทั้งวันพระด้วยก็เป็นเวลาแปดครั้งถ้าจะนับวันอุโบสถเข้าไปอีกก็เดือนหนึ่งประมาณสิบครั้งหลังอุโบสถก็มีการพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ปีนี้ดูธุรการงานแล้วก็การไปชมหรือการพูดของผมทุกเช้า ก็เป็นแนวความคิดสำหรับหมู่พเพื่อนถ่างว่าผู้ใดจะถือเป็นคติตัวอย่างฟังเพื่อการศึกษาฟังเพื่อประดับความรู้ตั้งใจฟังผมคิดว่าคงจะเกิดปัญญาสำหรับหมู่พกเพื่อนทุกๆอกองผมก็ถือว่าผมไม่ขาดตกบกพร่องในการแนะนำสั่งสอนถ้าจะพูดแบบพระบาลีก็ว่าไม่มีกำรร ม, มืออยู่ในอาจารย์ผมมีความรู้มีความสามารถขนาดไหน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 เราทุกท่านแต่วันนี้ที่ได้ร่วมได้เรียกไปชมกันก็มีเรื่องเราที่จะต้องพูดก็คือจัวจะออกพรรษาไม่กี่อาทิต์ผู้ที่พระบวชใหม่ยังไม่ยังไม่เคยออกพรรษาก็ขอให้เตรียมตัวเรียนคำปรนนาเอาไว้จะให้ คาดตัวบกพ่องส่วนองค์ที่จะสวดกระถินก็ให้เตรียมตัวเอาไว้เช่นเดียวกันแต่ถึงยังไงก็ยังอยู่ประมาณครับหนึ่งเดือนที่จากนี้ไปถ้าจะว่ามากก็มากถ้าจะว่าน้อยก็น้อยถ้าเขาว่าความไม่พร้อมแล้วมันต้องก็ว่าน้อยเนะ่ถ้าาว่าพร้อมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องได้พูดกัน อันนี้ก็คือการเป็นการเตือนกันแต่เนิ่นๆเพื่อความเตรียมพร้อมเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความสมบูรณ์แบบในเมื่อถึงวันนั้นนี่กระโจนจะออกพรรษาถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังไม่ถึงสามอาทิตย์พอมันล่นเข้ามาอาทิตย์กว่าๆแล้วขอให้หม่เพื่อนทุกองค์ทั้งพระใหม่ทั้งพระเก่า อยูในความสงบให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ตลอดรอดฝังแต่สำหรับผมเองผมไม่ได้หนักใจสำหรับหมูพวกเพื่อนในปีนี้ที่หมูพเพื่อนํนาพรรษาตั้งแต่เข้าปรรษามาถึงจุดนี้แต่ในอนาคตวันพนุ่งนี้มรืนนี้ผมยังไม่รับรองว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาผมเคเห็นหมูพวกเพื่อนตั้งอกตั้งใจ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 ก็หนักแน่นเมื่อออกไปอยู่ตามลําพังตัวเองก็หนักแน่นถึงจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็หนักแน่นถึงจะอยู่คนเดียวก็หนักแน่นถึงจะมีคนนักยกจ่องนับถือก็ไม่หวั่นไหวถ้าไม่มีใครซะเลยก็ไม่สนกอันนี้แปลว่าผู้มีหลักใจมีหลักแต่ความมุ่งมั่นในหลักธรรมวินยัยเรื่องมุ่งมั่นดังด้านจิตใจนั้น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 อยู่แบบไม่มีปัญญาอยู่แบบไม่มีความคิดอยู่แบบไร้ความคิดแบบคนสิ้นท่าอยู่แบบคนตายแล้วอย่างนั้นใช่ไม่ได้เพราะนั้นขอให้หมู่เพื่อนทุกองค์ทำปฏิบัติศึกษาลงมือปฏิบัติเอาจริงจังเมื่อจิตใจของเรามีหลักแล้วอยู่ในสถานที่ใดไปในสถานที่ใดไม่เดือดร้อนวุ่นวาย มีแต่ความร่มเย็ยนผ้าสุขเข้าสู่จิตใจนี่แหละคือภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนสุดท้ายของพระใหม่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เกือบจะวาดทุกรุ่นที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่ทุกองค์แต่เป็นส่วนมากเดือนสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระใหม่จะไม่ค่อยสนใจ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 พอลาสีขาไปแล้วยังไม่ข้ามวันก็เกอกสุลาเข้าไปแล้วถ้าอย่างนี้เข้ามาศึกษาไร้ประโยชน์จริงๆจำรหรรดินาว ก, กะที่เข้ามาบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพระกรรมฐานอย่างพวกเราถ้าหากว่าผมเป็นอาจารย์ที่ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่มาอยู่ในวัดของผมเนี่ยผมกรอก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 อภัยเยมุกเข้ามาแล้วเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องฟังเอาไว้นะคำนี้อันนี้เป็นคําบอกกล่าวตักเตือนให้รู้จักการวางตัวถ้าว่าพวกท่านทําอย่างนั้นไปว่าการบวชในพุทธศาสนานได้ประโยชน์กับใจหงพวกท่านน้อยมากเพราะฉะนั้นฟังแล้วให้สําเหนียกสํานึก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 เดือนหนึ่งก็พูดเพียงสครั้งตนเองสามเดือนก็สิบสอครั้งน้อยเกินไปสําหรับผู้ที่เข้ามาบวชเพราะนั้นเกรดความรู้แต่ละวันผมพยายามคิดไตรตรองว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรไม่ใช่ของได้ไง่ายๆแม้การสําหรับความคิดความรู้ของผมนะถ้าอย่าว่าไปผมไม่ใช่ว่านักพูดนักแสดงเนี่ยที่คล่องแคล่วอะไรแปลว่าอึดอาดพอสมควรในเรื่องที่จะพูด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 การแนะนำสั่งสอนก็ดีการดูแลด้วยปัจจัยสี่ก็ดีการเป็นอยู่ของพวกท่านก็ดีผมคิดว่าผมทําพยายามทําให้ดีที่สุดเต็มความสามารถผมก็ถามไถ่ผมก็ดูด้วยตาของผมอีกต่างหากแล้วก็ถามไถ่หมู่พกเพื่อนใครมีชร้นถุกสุกดิบอย่างไรหนักอกหนักใจเรื่องอะไรแล้วก็พยายามนํำทา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 ที่มีอายุพรรษาในพรรษาพระคณะท่านวัยอายุพรรษาหกถือว่าเป็นอาจารย์ได้สำหรับพระที่บวชใหม่ต่อไปก็เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นไปนเรื่อยๆถ้าสิบพรษาขึ้นไปนก็เป็นอุปชาได้ mm hmm. แต่ถึงยังไงก็ตามเขาขอให้หมู่พเพื่อนให้ถือตามระดับขั้นพรรษาเตียมัที่ผมเคยพูดมานั่นนะ่ะ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 ตีเสมอไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้บอยให้พวกท่านทั้งหลายคิดไว้นะในเรื่องนี้ไปอยู่สถานที่ใดก็ตามการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละดีอย่าไปแข็งกระด้างเมื่อเป็นคราวญาก็ตามต้องรู้จักการสถานที่บุคคลบุคคลคนนี้ควรจะทำอย่างไง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 ผู้ที่จะเกิดในสกุลสูงเกิดในสกุลสูงผู้นั้นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ต่อวัยวุฒิคุณวุฒิในภพนีชาตินี้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเกิดพพหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้เกิดในสกุลสูงถ้าว่าใครยินดีในการให้ทานคนนั้นเกิดมาพพหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ไม่อดอยาก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 เรียกเข้ามาใกล้ชิดได้ถ้าว่าเป็นครวาดก็เช่นเดียวกันลูกน้องที่เข้ามาใกล้ก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักสูงรู้จักต่ำํำหัวหน้าจึงจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่วางใจได้ในเมื่อหัวหน้าไว้วางใจมันก็ต้องสูงขึ้น แ, ลแหละทนายตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็ต้องสูงขึ้น แต่ว่าคนขี้แข็งกล้าวนั้นจะไปสูงได้อย่างไงเพราะว่าดูดูแล้วมันทําไม่ถูกอะมีแต่เขาจะกดลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีสัมมาคา ร, ระวะถ้าให้พวกประเภทอย่างนั้นปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองจะล่มจมกิบหายอย่างไรเขาก็คิดไว้แล้วดูไว้แล้วเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาแบาบใครมีความอ่อนน้อมถ่อมตนผู้นั้นจะเกิดในสกุลสูงเนี่ยมันเข้าข่ายถ้าเราเพียบในปัจจุบันก็เข้าข่าย ไม่ต้องพูดถึงอนาคตที่เรามองไม่เห็นว่าตายไปแล้วไปเกิดในยุคปัจจุบันนี้เราก็พูดได้แล้วใครอ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยดีรู้จักสูงรู้จักต่ำรู้จักกราบไหว้รู้จักบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วัยวุทธคุณนวุฒิที่เหนือกว่าแล้วก็รู้จักปรับตัวรู้จักอ่อนน้อมคนนั้นไปได้ดีไปได้สูงว่างั้นนี้ก็เหมือนกัน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 จุดมุ่งหวังของเราไม่ใช่อยู่เพียงเท่านี้จุดมุ่งหวังของเราคือทางพ้นทุกข์อันนี้คือเป็นหนทางการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงจึงจะมีความพร้อมเพียงสมัครีทำยังไงจึงว่าปุก ข, ขระสัปายะมู่พวกเพื่อนบุคคลเป็นที่สบายไม่มีความเห็นแก่งแย่งกันเป็นผู้มีความเห็นพร้อมเพียงสมัคีกันในทางธรรม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 ถ้าว่าถึงโทษประหารขนาดนั้นก็เออยอมรับไม่ได้เราก็ต้องสู้อย่างสุดแต่ไม่ถึงขนาดนั้นเพต้องยืดหยุ่นต้องยอมรับไปก่อนต้องฟังไปก่อนฟังเหตุฟังผลฟังหน้าฟังหลังไม่เห็นเสียหายอะไรยอมทิฐิลดทิฐิมานะในใจของรนตนเองลงคนท่นก็ลดลงคนนี้ก็ลดลงเรื่องทั้งหลายก็จะไม่มี แต่ถ้าว่าที่ถีมนะออกมาชนกันใครก็ว่าใครแน่ใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครรู้ใครก็ว่าใครเข้าใจใครก็ว่าเชื่อมั่นในตนเองว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องมันจะเกิดเกิดไปยังไงผลที่สุดก็ลงหมัดลงมวยกันัำบากเลยมันเป็นอย่างนั้นอันดับที่แรกก็มันชกกันในใจซะก่อนต่อมาก็ชกด้วยวาจาต่อมาก็ชกโดยกำปั้นสอกเข่าอะไรท่านนี่นหลากคอนหลักไม้มาตีหัวกันลำบาก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 ไปเห็นหมามันก็แห่จะกัดกันมันก็ลำคาญยิ่งกว่าอะไรถ้าเห็นกัน ย, ย, ยายิ้นแย้มแจ่มาสมีอะไรปรึกษาปรับรบกันมีอะไรก็พูดกันเข้าใจกันได้นั่นละ่ะทำเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านถึงจะไปอยู่ในสถานที่ดีก็ตามจะเป็นคราวาวัก็ตามจะเป็นที่ไหนก็ตามต้องใช้หลักเหตุผลอยู่ในจิตใจของเราอย่าไปใช้อารมณ์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 รู้เท่ารู้ทันยังรู้จักความพอเหมาะพอดีว่าทุกคนจะต้องไปในจุดเดียวกันคือความตายแล้วก็จะต้องตายเขาจะต้องตายจะไปถือโทษโกรธเครืองจะไปถือเอาเป็นอาตายอะไรมากนักหนาอันนี้สาหรับพระกรรมาฐานและถ้าใครมาเ ล, ลึกถึงความตายแป่ว่าใช่ไม่ได้เลยละ่ะความตายต้องระ ล, ลึกไว้อยู่เสมอจากนั้นก็อจุพะ อสุภะนะมันแยกแยะดูมันจะตัดกามมาลาคะกามเมกิเลศกิเลศลาคะลักเพศหญิงเพศชายถ้าเราแยกแยะดูแล้วมันมีแต่อสุภะปฏิกูลเนื้อหนังเองกระดูกมีแต่มูดปีแตกรีบเต็มไปในกระเพาะลาไส้มันหลั่งไหลออกมาจากทวารทั้งเก้าขี้ตาขี้หู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 อยู่กับกรรมฐานนั้นอย่าให้เผลอสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเรานึกคิดเรื่องอะไรการกระทำของเราทำอะไรอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้การฉันการเดินการไปการมาตอนเช้าวเวลาเดินวินาบาตอย่าไปคุยกันเคยพูดมาตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วการเดินวินาบาทเคียงคู่กันเหมือนกับขอทานไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของสมณน ต่างองต่างเดินเดินพุโทโธพุโทโธขาขวาชดขาซ้ายโธพุโทโธพุโทโธดูใจของตนเองอันนั้นเรื่องสัมณะเรื่องพระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นการเคลื่อนไหวทุกอย่างต้องมีสติให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินพิบารก็มีสติเวลาเข้ารับบิณฑบาตก็มีสติรับเดินไปก็มีสติปิดบาตก็มีสติการเข้าไปก็ให้สัมรวมดูในบาต เปิดบาดก็ดูในบาดอย่าไปดูหน้าผู้ที่ใสบ่บาดดูหน้าทายกทายิกาเขาดูมองดูในบาดบริกรรมพุโทโธไปด้วยในขณะที่เราบิดนบาดใจเราคิดเรื่องอะไรนู่นตามดูใจของตนเองอีกนี่แหละสําหรับนักปฏิบัตินักภาวนาต้องได้คิดถึงอย่างนั้นต้องคิดทําอย่างนั้นจากนั้นเวลาฉันก็ต้องให้ดูมีสติในการฉันอีก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 เราก็มองทางนอกอีกมองทางในอีกเราจะให้ความสําคัญเขาถึงขนาดนั้นเหลอมันได้อะไรมันเกิดประโยชน์อะไรที <Okay. S 1> นี้พอเรารู้ต้นตอของมันเลยไม่วางมากก็ต้องว่างน้อยเลยยัดมาดูกิเลสอีกลาคะในใจของเราอีกความรัก <Okay. S 1> ความกำหนัดความยินดีแต่ขนาดใจของเราขนาดกายของเราเราจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว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 ทั้งนอกก็คือคนอื่นทั้งในก็คือกายวาใจาใจของเราเนี่ยในเมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วสิใจต้องคลายต้องถอดต้องถอนต้องเบื่อต้องหน่ายมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเหมือนกับ น, นี้มันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับคว้าน้ำเหลว อ, อย่างนั้นแหละเราไปให้ความสำคัญมันเท่านั้นเองมันจึงสาคัญขึ้นมา ถ้าเราไม่ให้ความสาคัญมันก็ไม่สําคัญนี่แหละในเมื่อเราเพิจารณาถึงจุดนี้แล้วผมว่าไม่วางมา ก, ม, ากมันก็วางน้อยเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็มันก็ต้องหาเหตุและผลมันจะไม่กระเพื่อมทางด้านจิตใจจนเกินไปจะเป็นทุกข์เป็นร้อนจนเศร้าซึม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 ตาไม่จริงกระทบกระแทกมันก็ต้องมีอยู่บ้างเพราะว่ามันกิเลสเนะี่ยกิเลสมันเหนียวแน่นกิเลสมันอยู่ในหัวใจทําไม่กระทบเนะี่ยมันจะไม่สํานึกมันจะไม่คิดมันต้องมีบ้างบางจุดนะต้องกระทบนะทํำไ้กระทบเนะี่ยกิเลสมันจะไม่แตกเพราะนั่นเหละธรรมะเนะี่ยมันก็ต้องกระทบเหมือนกันสิ่งที่มีเหตุผลต้องกระแทกเข้าไป